ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะในเวลาที่ ต้องการจะให้ท่านฟังทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ หลังจากที่ได้กราบถามคําถามท่านมาหลายๆคําถามก็มาถึงจุด ทำไมยังมันไม่ปร่งใจมันรู้สึกเหมือนกับมันก็ยังกังวลยังมีความทุกข์เหมือนกับไอ้ก่อนอืมเอ่อมันมีอย่างงี้เอ่อคุณคุณ สมัยกินประปามก็ทั้งฝาดทั้งเปรี้ยวทั้งรสชาติไม่ดีนํามาดองกับน้ํายาน้ํามูลเหม็นเนี่ยนะน้ํามูลก็คือน้ําปัสสาวะนั่นเองแล้วปล่อยให้มันมีการหมักตัวนั้นมัน นะนี่ก็เปรียบเหมือนเวลาบางคนเนี่ยเราทําสิ่งที่ 5 อย่างนี้ 5 นั้น คุณได้สมบัติในการแก้โรคเลือดโรคโลหิตได้นะถ้ารสชาติก็ดีนะกลิ่น 2 ที่ 2 กรณีนะบางคนทํา นนออ าย, าง. นะ 2 อย่างอีก 2 อย่างก็ยกทางตรงกันข้ามเหมือนกันนะพูดถึงยาสวยแต่ว่าเจือด้วยยาพิษนะอันนี้ตอนกินมันอร่อยปาก 2 ก็ หน้าที่ถูกหมักไว้ด้วยยาพิษนะคุณกินเข้าไปทั้งขม เอ่อพืชพันธุ์เช่นพืชพันธุ์อ้อยพืชพันธุ์องุ่นพืชพันธุ์ข้าวสาลีเนี่ยคุณมีเมล็ดพันธุ์อยู่คุณใส่ลงไปในดินแล้วคุณรดน้ํารดดินนั้นทุกญาณ เอ่อปกติกรรมเนี่ยเค้าสร้างเหตุเฉยๆแต่เค้าจะมาเร่งว่าเอ้ยผลต้องออกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บ<ใช> ถึงแม้มันจะยากก็ตามมันจะไม่แฮปปี้ก็ค่ะดิฉันอันนั้นเป็น อ่าเหลือเวลาน้อยใช่มั้ยคะกราบเรียนถามท่านภพมี ในทั้งสุขและได้เจอแต่อาหารและบางทีก็ต้องนอนร้อน เราทําอะไรก็แล้วแต่เรายังไม่ได้เห็นผลนั่นนั่นก็เพราะว่าตรง ผู้ชาวเนี่ยก่อนจะอัตตรัสรู้สมาธิเสื่อมสมาธิเกิดอยู่ต้อง 11 กว่าครั้งครั้งเนี่ยๆปึ๊บก็พยายามที่จะ<ใช> นั่นเดี๋ยวมีดีเดี๋ยวมีเสื่อมเดี๋ยวมีเสื่อมเดี๋ยวมีดีสลับไปสลับมาค่ะอืมพอๆก็คือมันไม่ไม่ไม่ใช่หมายความ ดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในสภาพแวดล้อมของๆคือให้เข้าๆอย่างงั้นหรือเปล่า นั่นคือถ้าเราบอกอันแน่ๆเราจะพูดอย่างนั้นก็ๆอันๆแน่ๆเนี่ยคือมันไม่ ก็ฉะนั้นเอาใหม่นะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าดังนั้นถ้าหากไกลหรือเรื่องที่เกิดกับตัวเราเองจะเป็นเพราะโลก เปลี่ยนไปอืมเปลี่ยนนะคะก็เป็นการดําเนินชีวิตแบบไม่ เออโลกทําไมมันเป็นอย่างงี้โลกมันทําไมไปอย่างงั้นเถียงกันไปเถียงกันมาต่างคนต่างก็มีเหตุผลแต่พอนึกขึ้นมา นั่นคือพูดถึงเรื่องความดับเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มันลงตรงอริยสัจ 4 ให้ค่ะแต่อัน ก็รู้แล้วแหละทุกข์เนี่ยมันคืออะไรที่มันทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจอยู่อ่ารู้ด้วยนะว่าเหตุมันเกิดขึ้นอะไรแต่ว่าคน 2 คนนี้เห็นเหตุไม่อืมก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่า อัปปิงลิงค์ที่คนอื่นน่ะไปยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งน่ะเป็น แล้วก็นําเอามาปฏิบัติโดยคําสอนทั้งๆวันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเป็น วันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอให้เป็นวันนึงนะคะที่ท่าน